กุศลก็เรียกว่าเป็นคนที่หาเหตุผลจนไม่ได้เจริญกุศลกรณีของสุภัท t h ก็คล้ายกันแต่ดีว่าได้เจริญกุศลแต่ก็ถือว่าแหมเป็นประเภทแบบคือเสี่ยงมากะนะเป็นคนสุดท้ายเนี่ยเกือบสอบตกว่ังั้นเทำแมเกือบสอบตกนี่แหมมันก็ถือว่าเสี่ยงะนะแต่ก็ท่านก็ประสบความสําเร็จแล้วละ่ะเพราะว่าบุญบุญหรืออุปนิสัยที่ได้กระทําไว้ก็เป็นเป็นวาสนา นี่พอคิดถึงเราเองเราก็ไม่ได้ต่างอะไรจากท่านสุพัทธะหรอกเราลา้าเรียกว่าล้าหลังลาช้ากว่าท่านสุพัทธาสอง0ัน 2, กว่าปีกแล้วกันนะเกือบ 3,000 ปีเนี่ยมันล้าช้ากันนั้นนะนะถ้าถามว่าเราลา้าล้าหลังจากพระอัญญาโกณัญญะเท่าไหร่2 5 0 0ันหปีเอ่ศนะ 2, 5, 4, ของเราเนี่ยห่างจากพระสุภัสสะเนี่ยนะ 2,550 ปีเป็นอย่างน้อยเหมือนกันเถอะอาจจะเกือบ 2,000 นะ600ปีด้วยซ้ําไปอะ่ะห่างท่านมากเราคิดช้ามากแต่เทียบกับท่านสุภัทสะเนี่ยนะท่านของพวกเราเนี่ยช้ากว่าท่านเยอะถ้าจะไปเปรียบนียอยว่าท่านเลยเนี่ยนะถ้าว่าไปแล้วเนี่ยของพวกเราช้าคิดช้าคิดท้าจริงอะ่ะช้าแค่ไหนก็ดูสิว่า ไอ้ตอนที่พระพุทธเจ้ามีพระชนอยู่เราเองก็ยังเวี ย, วยนไหวตายเกิดนี่แหละไม่รู้ไปทำอะไรตอนนั้นตอนที่พระอริยเจ้ามีเยอะแยะเราก็ไม่รู้ไปทำอะไรอยู่เนี่ยนะตอนแม้กระทั่งปัจจุบันนี้ก็ยังมีเหตุผลอธิบายได้ว่าเออเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะศึกษาแลว้วก็ปฏิบัติในที่สุดก็จะหมดศาสนาไปจากโลกจริงๆ น, น, นะนี่พูดถึงว่ากรณีของท่านสุภัทนี่คงบอกอะไรเราไม่ใช่น้อยว่าเราเองถ้าพลาดโอกาส จากการศึกษาและการปฏิบัติตามคำสอนการเห็นคุณของพระรัตนตรัยเนี่ยเราเนี่ยอาจจะหนักกว่าท่านสุพัทธะปริภาชคเนี่ยหลายพันล้านเท่านักเพราะท่านเป็นผ้รหันดับขันทัปรินิพานทาที่สุดแห่งทุกแล้วแต่เทียบถึงของเราล่ะเนี่ยนะมัน กุศลธรรมเหล่าใดที่เราเรีบเร่งควรรีบเร่งเจริญควรจเจริญเถอะแต่ว่าที่สําคัญบางคนก็รีบจนไม่รู้ว่ารีบไปไหนเหมือนกันอันนี้ก็สําคัญไหมรีบจนเกินกลับเย็นจนไม่รู้ว่าจะเย็นไปถึงไหนทําเป็นใจเย็นไปไงั้นแหละเนี่ยนะบางคนก็เร่งรีบซะจนเรียกว่าหัวเรียกว่าหัวหกขมั่มไปหมดเนี่ยนะเรียกว่ากระโโปกกระเพกไม่รู้ทํามาเพื่ออะไรก็ไม่ทราบมันก็หาความพอดีให้พบแต่ที่แน่เลยก็คือว่า ความถูกต้องในพระพุทธศาสนาของเราก็คือการหันหน้าเข้าพึ่งพระรตนะตรายหันหน้าเข้าหาพระพุทธเจ้าเนี่ยนะหันหน้าเข้าหาพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณส่วนที่เหลือการประพฤติปฏิบัติของเราก็เนื่องด้วยพระรตนะตรายเนี่ยนะเพราะชีวิตของเราก็สุดแท้แต่ว่าพระรตนะตรายท่านจะชีน้นาชี้แนะไว้อย่างไรเพราะถ้าเมื่อไร่ที่เราเลยพระรตนะตรายหรือล้าหลังจากพระรัตนะตรยัย เราก็ชื่อว่าพลาดแล้วล่ะเนี่ยนะมันก็ต้องถือเอาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งนั้นการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาอย่างไรก็อย่าลืมว่าเป็นาศาสนาของพระพุทธเจ้าสุภัทภปริภาชกเนี่ยเป็นคนฉลาดมากหัวดีมากนะถือว่าเป็นคนที่ร่าเรียนมาเยอะมากถึงขนาดนั้นท่านก็ยังเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในวิสัยของผู้เป็นสาวกทั้งหลายความเจริญงอกงามการบรรลุมรรคผลเนี่ยต้องเนื่องด้วย พระพุทธเจ้าทั้งหมดภาษาเรีตรถึงจะมีปัญญามมากขนาดนั้นก็เนื่องด้วยพระพุทธเจ้าอริยาสาวกทั้งมวล น, นั้นท่านเหล่านั้นตรัสรู้ธรรมเนื่องด้วยพระรัตนมตรยัยการศึกษาของเราก็ต้องเป็นไปตามหลักตามพระธรรมตรายยิ่งสมัยใหม่ด้วยเนี่ยนะยิ่งยุคปัจจุบันด้วยถ้าไม่เอาพระรัตนะตรายเป็นหลักนะเราเองก็อาจจะไปทําในสิ่งที่เรียกว่าไม่ใช่เกล็ดด้วยซ้ําไปเนี่ยนะอาจจะไม่ใช่เกล็ดของาศาสนาด้วยซ้ําไป หรือถ้าเป็นต้นไม้ก็อาจจะไม่ใช่กิ่งไม่ใช่ใบด้วยซ้ําไปนะอาจจะเป็นอะไรแล้วก็ไม่ทราบเนี่ยนะห่างพระศาสนาห่างจากสิ่งที่ควรสังเวก็คือห่างสองพันกว่าปีเนี่ยนะยังไงก็ดูกรณีของท่านสุภท า, า, านี่เป็นอุทาหรณ์เป็นเยี่ยงเป็นอย่างแล้วก็หลายครั้งนะตอนนี้ก็ได้แต่ว่ายพระธาตุได้แต่ระลึกถึงพระบรมศาได้แต่เห็นพระบรมสารีริกธาตุก็ควรที่จะสังเวชสลดใจแล้วถ้าหากว่าเห็นพระธาตุแล้วไม่เห็นพระพุทธคุณด้วยเนี่ยนะ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 ขนาดนั้นยิ่งน่าสงสารขึ้นขนาดนั้นเนี่ยนะทานคนที่หวังประโยชน์ตนควรแล้วที่จะระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าด้วยความไม่ประมาทร ะ, ะลึกถึงพระธรรมที่พระองค์สอนด้วยความไม่ประมาทเข้าใจในความปฏิบัติดีของพระอริยเจ้าทั้งหลายด้วยความไม่ประมาทเนี่ยนะนีท่านสุภัทรก็เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า เมื่อเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะสุภัทฐปริภาชกนี่ถือว่าเป็นคนที่ดีแล้วก็มีมารยาทศึกษาร่ำเรียนมามากเป็นคนที่มีความรู้เนี่ยนะก็เข้าไปหาท่านพระอนุนที่สาลวันอันเป็นที่แวะพักของมรรกษัตริย์ครั้นเข้าไปหาท่านพระอนุนแล้วก็กล่าวกับท่านพระอนุนว่าท่านพระอนุนข้าพเจ้าได้ฟังคําของปริภาชกเนี่ยนะซึ่งเป็นผู้แก่ผู้เฒ่าซึ่งเป็นอาจารย์และป่าจารย์ อาจารย์เหล่านั้นท่านกล่าวอยู่ว่าพระตถ า, าคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมอุบัติขึ้นในโลกเป็นบางครั้งบางคราวนะพระตถ า, าคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระสมณโคดมพระองค์นั้นจักปรินิพานในปัจฉิมยามแห่งราตรีวันนี้แลอันหนึ่งธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งความสงสัยคือความสงสัยของข้าพเจ้านี้บังเกิดขึ้นมีอยู่ เรานั้นก็เลื่อมใสยอย่างยิ่งนักในพระสมณโคดมอย่างนี้ว่าพระสมณโคดมสามารถเพื่อจะแสดงธรรมเพื่อกําจัดความสงสัยอันนี้ให้แก่เราได้เชื่อว่าพระองค์แก้ปัญหาอันนี้ให้เราได้แน่นอนท่านอนุ์ข้าพเจ้านั้นท่านอนุนขอให้ข้าพเจ้าได้เข้าเฝ้าพระสมณโคดมด้วยเถอก็คือไปขอร้องน่นะตามธรรมดาของผู้ที่ มีมารยาททั้งหลายก็ไม่ใช่ว่าพลีผามเข้าไปเลยก็เข้าไปขออนุญาตเนี่ยนะขอโอกาสจากผู้ที่เขารับผิดชอบดูแลตรงนี้ท่านพระนนนั้นก็มีความคิดว่าพวกอัญญะเดรธีลทัทธิภายนอกโดยมากเห็นแก่ตัวนะโดยมากเป็นที่เรียกว่าเล็งเห็นแต่ประโยชน์ตนไม่เคยคำนึงถึงความทุกข์ความยากความลำบากของผู้อื่นอะไรเลยขวนขวายหาแต่ประโยชน์ตนแบบเรียกว่า ที่ใช้คาว่าเห็นแก่ตัวเนี่ยนะไม่เห็นแก่คือไม่เห็นโดยความชอบความถูกต้องและก็ความชอบทำพวกนี้ถือเอาแต่ตัวเองเป็นหลักไม่ถือเอาทำเป็นเป็นประมาณเพราะฉะนั้นท่านพระนนก็เลยห้ามหมห้ามว่าอย่าเลยสุภาาัทะอย่าเบียดเบียนพระตถาคตเลยพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเน็ดเนยนะอย่าไปให้ลำองลาบากเลยนี้ก็จะปรินิพานอยู่แล้วเนี่ยนะ ซึ่งหมายก็ว่าจะไปรบกวนถึงไหนจะละให้พระ อ, องค์เนี่ยลำบากลาบนไปถึงไหนทีนี้ท่านสุภัททะนั้นอ่ะปกติเนี่ยท่านก็เลื่อมใสในพระ อ, อนนท์นะไม่ใช่ว่าท่านแต่ว่าท่านก็ขอร้องเลยนะอะเพื่อที่จะได้รับประโยชน์ท่านก็เลยขอร้องเป็นครั้งที่สองอ น, นะขอร้องเป็นครั้งที่สามว่าท่านพระอานนท์นี่ย น, นะ เราเนี่ยนะข้าพเจ้าเนี่ยได้ฟังคําของพวกปริพาชกผู้แก่ผู้เฒ่าซึ่งเป็นอาจารย์และป่าจารย์ท่านอาจารย์เหล่านั้นกล่าวว่าพระตถาคตอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมอุบัติในโลกบางครั้งบางคราวพระสมณโคโดมนี้จับปริณิพานในปัจฉิมยามแห่งราตรีวันนี้แลอันนึ่งความสงสัยซึ่งบังเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้ามีอยู่เราเองนั้นมีความเลื่อมใสในพระสมณโคโดมอย่างนี้ว่า พระสมณโคโดมนั้นสามารถจะแสดงธรรมเพื่อกำจัดความสงสัยแก่เรานี้ได้นะซึ่งพระนรนก็กล่าวห้ามอีกอการกล่าวห้ามนั้นอ่ะซึ่งก็อยู่เฉพาะหน้านะพระผู้มีพระภาคอยู่หลังม่านก็คือมีม่านกัน้นพระนรก็สนทนากับสุภธา ป, ปริภาชกอยู่หน้าม่านนั่นแหละพระผู้มีพระภาคก็ตรัสว่าอานอนร์อย่าเลย อ, อนนอย่าห้ามสุภัท ธ, ธะเลยสุภัท ธ, ธะจงได้เข้าเฝ้าตถาคตเธอเนี่ยนะสุภัท ธ, ธะจักถามปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งกับเราถามเพื่อมุ่งความรู้ถามเพื่อมุ่งสติปัญญาม่ได้ถามเพื่อมุ่งจะเบียดเบียนเราเนี่ยนะคือพระพุทธเจ้าเนี่ยบำเพ็ญประโยชน์สร้างบารมีทั้งหมดเพื่อให้ศรัทธาวิรยิยสติสมาธิและปัญญาเกิดขึ้นแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่แล้วเนี่ยนะพระองค์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 และเขาเองเนี่ยเป็นคนที่มีบุญจักรู้ความข้อนั้นได้อย่างฉับพลันเขาเนี่ยทรบเป็นคนที่มีบุญมีวาสนาสั่งสมมาดีแล้วมันเมื่อตอบปัญหาไปเขาจะเข้าใจได้อย่างรวดเร็วอธิบายว่าอัพันยีสุเนี่ยนะรู้อย่างที่เจ้าลทัทธินั้นปฏิญญาเออเข้าไปอโนอนเนี่ยนะเหตุผลอันหนึ่งอธิบายเพิ่มว่า พระองค์เนี่ยเสด็จมาปรินิพานที่เมืองกุสินารามาด้วยความภาคเพียรพยายามพักระหว่างทางเนี่ยเป็นสิบสิบครั้งเนี่ยมาเพื่อเหตุผลหนึ่งก็เพื่อจะโปรดสุพัทธาคนนี้แหละเพราะฉะนั้นปล่อยให้เขาเข้ามาเถอะเนี่ยนะท่านพรน น, นนก็ได้กล่าวกับสุพัทธาปรินพาชกว่าไปเถิดสุพัทธาพระผู้มีพระภาคเจ้าประทานโอกาสหรือว่าเปิดโอกาสอนุ ญ, ญาตให้แก่ท่านแลว้ว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 สมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งนนะซึ่งสมัยนั้นลัทธิก็ไม่ใช่น้อยนะลัทธิเยอะมากนะสมณพราหมณ์เหล่านั้นซึ่งเป็นเจ้ามูเจ้ามูก็คือมายมายพวกใหญ่มากเลยเป็นเจ้าคณะเป็นคณาจารย์เป็นผู้มีชื่อเสียงเป็นผู้มียศเป็นเจ้าลัทธิชนเป็นอันมากสมมตุติบุคคลเหล่านั้นว่าเป็นคนดีนะเป็นาศาสดาวางนั้นเถอะ